ก็ขอาการาคุณพระพุทธรรมประสงค์ขอโอกาสรวมพวัมเขียนส่วนโอโอกาสพระเทวราโนรเทราทุกท่านเพื่อพนพ่อพมิทุกท่านจะเรียนในธรรมไม่ทีและยาติธรรมทุกท่านวันนี้นะถ้าย้อนไปเมื่อต่อของพันปี ก็เป็นวันที่กูเจ้าไปส่งตักรุ้นในวันนี้ในวันนี้นะตนจะจุดตรงกันคุณทิ่เคลนตีซนะ่งร้อยตีจะมีสักพันหนึ่งเป็นวันฤกษ์สองพันหกร้อยตีที่กูเจ้าไปส่งตักรุ้นเพราะฉะนั้นกบเราถือว่าโชคดีนะ่ได้เกิดอยู่ในยุคนะนะซึ่งตรงครับ ช่วงร้อยปีพอดีนะครัึร้อยปีจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นตรงกับพุทธชยันตรีนะนะโอกาสนี้นะถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญยิ่งเพราะว่าการฉลองผุทธันตรีนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นหรือเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะแต่เป็นการที่ทั่วโล ก, ก น, นะเป็นการทั่วโลกเลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวันวิสาขาเกศอยู่แล้ว แม้แต่สงครารสายประชาชาติก็ให้เป็นวันสำคัญนะของโลกนะซึ่งประเทศต่างๆก็เป็นวันหยุดกันนะและโดยเฉพชาวพุทธนะทั่วโลกก็มีการมาไปรมชุมกันที่ที่นะที่ที่บางน้อยนะที่จุลาลงกรณ์มหาจุฬาลงกรณ์ที่บางน้อยนั่นเองนะ ชาวพุทธมาทั่วโลกในพระสถานกากประเทศต่งางๆแล้ก็ชาวพุทธเดินทางมาประชุมกันแล้วก็ตั้งให้อ่าเป็นการประชุมว่าประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางของพูทธศาสนาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศนะเพราะในวันนี้นะคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะใส่พุทธเท้ากันพุทธเท้ากันโดยส่วนใหญ่ ท่านเป็นการถือว่าเป็นการาฉลองพุยันต์ีลในครั้งนี้เป็นงานใหญ่ระดับร้อยศีจะมีสักครั้งหนึ่งจะมีการเฉลิมฉลองกันไหลา่แห่งไม่ว่าจะเป็นพุทธมนตรที่สนามหลวงแล้วก็ตามแหล่งต่างตามวัดต่างๆหรือแม้รต่ตามศูนย์การค้าและศูนย์กัรค้าก็มีการฉลองกันมีการจัดขึนอย่างใหญ่โตมาฮกกะลา เป็นการบูชาคุณพพุทธพระธรรมพระ ส, ระระสงฆ์อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งโอกาสนี้คือว่าพวกเรามาร่วมในครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสในการฉลองพุทธิยันตีพุทธคุยยันตีในครั้งนี้เป็100ร้อยปีก็เป็นจะมีสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคใจยในพวกเราที่มีโอกาสไปร่วมฉลองในครั้งนี้ ครั้งนี้ทำไมเราจิงต้องมาเระลึกถึงพุทยันตีพ่อเห็นใดเพราะเมื่อสองพันหกร้อยปีก่อนนั้นก็คือในคืนวันนี้นั่นแหละคือใต้รงมพระศรมาโพธิพระเจ้าได้ทรงนั่งคือไปบนบันลังนบนลังก็คือมียาคาปูอยู่บนบันลังแล้วก็ทรงอที่ฐานจิตว่า ในครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยาณแล้วแม่ร่างกายเลือดเนื้อจะแห้งเหี่ยวใยกระดูนังต้นเอ็นจะแห่งเหี่ยวสยก็ตามก็จะไม่ละความเพียรถ้ายังไม่สาเร็จก็จะต้องบรรลุทำให้ได้ถ้ามันบรรลุไม่ได้ก็จะต้องยอมตายในครั้งนั้น เปการตั้งัขจัดที่แท้จริงเมื่อที่พวกเราได้สรวจไปมาที่คุณครูดังก็คือธรรมชาติถังกมีบทนี้อยู่แม้ล่างกายเราเห็ถึงอะแท็งไปก็ตามเลือกเนื้อเส้นเอ็นกระดูกแต่ถึงแท็งเราก็จะไม่ลักความเทียงโดยความที่ตั้งใจเช่นั้นเพราะนนั้ใ น, ในคืนนี้ในยามแระเด้ทองบรลุตุกเทนิวาสามุตติยาน คือยาเป็นเครื่องระลึกชาติในอดีตชาติว่าอะื่องทรงเคยเกิดปอะไรบ้างฤกษ์ย้อนไปนับพบนับชาติไม่ท้วนะบางชาเขาเคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นเทพเทวดาเป็นพระคมบางชาติก็เกิดเป็นคนยากคนจนเป็นยาจบเข็มใจหรือแม้แต่ในบางชาติก็เคยเกิดเป็นตัณฑ์ลบก็ยังมีนะ หรือในบางพระฝั่งก็เกิดเป็นปฏิฐานมากมายนะเป็นช้างเป็นนกเป็นปลาเป็นกวางต่างๆมากมายนะในที่สุดก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยวล็กไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในยาที่สองก็เร่งตรงมาลุจูุ่ัวปฏิยานคือยาเป็นเครื่องรู้ในการไปกำเนิดของต่างๆว่ามีกรรมอะไร เราไม่เคยกำหนดในว่าเป็นปฏิทิานั้นนมีกรรมดีกรรมชั่วยอย่างไรส่งผลไปเกิดให้มนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้เป็นเทวดาถ้าเป็นคมบ้างมีกรรมอะไรทําให้เกิดนะหรือการไป้รุงแต่งอย่างไรเพื่เป็นคนฉลาดคนโง่นะเป็นคนสวยหรือคนไม่สวยต่งางๆนี้มีกรรมอะไรนาไปปรุงแต่งเนี่คือตุ๊กตาปิยานก็คื อ, อยานที่เป็นเครื่องรับรู้ นะไปในกำเนิดต่างๆถิ่นกำต่างๆเหล่านั้นนาฏศัพทต่างๆนี้ได้สร้างเอาไว้อในแต่ ล, ตลาภพภูมิชาตินะในส่วนในยานสุดท้า ย, ายก็ได้ตกลงลุกซึ่งอสวกพยายานคือย า, อย า, ออยาในเครื่องกำจัดกิเลสของตนให้สิ้นไปอันนี้ก็เป็นยานที่สุดท้ายจริงๆนะยานนี้เป็นเหตุให้เกิดเท้าธรระพระเจ้า ข, ขึ้นมาในโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่มาเป็นการเรียงยิง่นะเป็นการเห็นธรรมจักรให้เคลื่อนไปน ข, นนะธธนข้างน่างการที่พิ่มประลุธรรมในครั้งนี้มันก็เกิดจากการที่ตรงพิจารณาในปฏิจจสุตบาทถึงความที่จะ เ, เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคือเหตุอย่างหนึ่งต่อให้เกิดผลอย่างไรนะนะก็พิจารณาไปในเรื่องของวาวิชาเป็นปจให้เกิดสังขาร สังขารปัใจัยเกิดวิญญาณวิญญาณปัจเกิดนามรูปนามรูปปัจจัเกิดประลยระนก็คือตาหูจมูกติ่งกายใจคืออจะรยานั้นุกทนั่นเองอาจารย์นั้นเป็นปัจพักดตาภพาปใจจให้เกิดเวลาเวลาปใจเกิดตัณหาตัณหาปัจจัยเกิดปุทานปุทานไป็นปจเกิดภพภพเป็นปัจจัเกิดชาชาปัจจเกิดชลามรณะ โสกาคฤติเทวทุกขโทมนาตุปายาปาติตามายาวยีนะเนี่ยก็ทรงพิจนาไปเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นอ่าเมื่อการที่มีคภพมีชาติก็เกิดจากไรก็เกิดจาก อ, ปอุปทานก็ไล่ไปจนถึงอริชาเพราะเมื่อการดับเมื่อไม่มีอวิชาก็ไม่มีหลังฐานตามมาตัวกระทั่งดับไปเรื่อยเรื่อยเมื่อไม่มีประทานก็ไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีทุกข์อ่า ความเกิดความแก่ความเกิดความตายสัหมดไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสัญญาในตรงนั้นเมื่อได้ทรงเข้าใจปฏิจจสมบาตก็คือความ เ, เหตุความเป็นใจที่ให้เกิดผลตามอานั้นก็ได้ทรงเข้าใจในความที่เป็นปัจจธรรมปัจจธรรมก็คือความจริงของโลกนั้นเองนั่นก็คืออารเลือกภารกิจภารกิจก็คือทุกทุก สมุทัยสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์อันนี้โลดอันนี้โลด ก, ก็คือความดับทุกข์นะหรือพนิพานความซึมทุกข์นั่นเองน ะ, ะก็มัดนะมัด ก, ก็คือขนทางที่จะดําเนินไปในขนทางแห่งการดับทุกข์นะเมืกก่อเราดําเนินตามมัดได้แล้วอนนี้โลดคือความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะมัด ก, ก็มีองศาก็คือ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังคปรกคือความจำริกชอบหรือความคิดชอบนั่นเองสัมมาสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมาตะมันโตมีการงานชอบสัมมาคีโวมีอาชีชอบสัมมาวายโมมีความเพียรชอบสัมมาปิกมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบ ก็โดยสรุปมักนจยร์ใสคือสีสมาธิปัญญาลัลเลนะโดยหลักการนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอัจฉรยธรรมเลยนะอัจฉริยธรรนี้คื อ, อรเรียกัพท์สีนะมีทุกสมุทัยนิโรธมัจเนี่ยก็จะมันมนํามาแยกได้อีกเป็นสามอย่างนะเขาเรียกว่าป ร, ร, ริวัติสามปริวัติสามก็คือมีอัตยานกิจ ย, ย, ยานและสัตยานนะ ก็คือเอาอลีปรัชญเนี่ยมาให้เห็นว่าเป็นปัจจยานก่อนนะปัจจยอนก็คือความจริงปัจจัยคือความจริงนะปัจจยานก็คืออะไรปัจจยานก็คือความเป็นทุกข์นั่นเองนะเราติดทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าแต่บุกคนโตตัวเราเขาผูกหยาดขยุ่นในความทุกข์นะทุกข์คือคือความจริงนะทุกข์สมุทัยนี้โลภะคือความจริงนี่คือความจริงนะ หลังากนั้นก็มาตรงพิจนาถึงปิจยานิติจารและปิจยานะุาการกระทํา <c oughs> การกระทํำกับความจริงอย่างไรนะในเมื่อมีความจริงคือทุกสมุทยัยมีโลกมารแล้วเนี่ยปิจยานี้จะทําอย่างไรสับความจริงเหล่านี้นะการพิจยธรรมครับทุกนั้นนะปิจยานในข้อแรกก็คือทุกนั้นนะ อ่าต้องเป็นสิ่งที่เราต้องรู้หรือสำหรักรู้ก็คือทุกข์นั่แหลสิ่งที่เราต้องรู้นั่นเองนะอันนี้เป็นหลักสําคัญเลยอ่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเราจะจะทุกไม่ได้นะความทุกข์น่เปงสิ่งเราต้องรู้ให้ได้นะความรู้ในทุกข์ก็คือรู้ในความทุกข์ในร่างกายของเรานะในร่างกายก็มีความเกิดความแสกความเจ็บความตายเนี่ย อันนี้คือความทุกข์ประจําสังขารนะแล้วเราในก็มีความทุกข์พิจจมาทั่วข่าวเช่นตอนนี้เราจะมีความปวดเมื่อยมีความร่วงความผิวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร้อนหนาวต่างๆอันนี้คือความทุกข์ทั่วคราวซึ่งทุกทุกทุกทั่วคราวเนี่ยเราสามารถแก้ได้เหมือนกันนะไม่แก้ไม่ได้แต่เราแก้ได้ทั่วข่าวเท่านั้นเองนะแก้ได้ทั่วคราวเท่านั้นไม่ได้แก้ได้จริงจังนะอันนี้คือความทุกข์ทางกายซึ่งจริงๆเราแก้ไม่ได้ เพราะความแก่ความเจ็บความตายเราแก้ไม like ่ได้อยู่แล้วหรือความหิวความปวดเมื่อยเราแก้ได้ทั่วคราวแต่เดี๋ยวก็หิวใหม่เดี๋ยวก็ปวดใหม่นะอันนี้คืออ่าการแก้ทุกข์ในทั่วคราวในทางร่างกายนะส่วนในทางจิตใจก็ต้องกำหนดรู้นะรู้ขณะนี้เรามีความคิดเกิดขึ้นอความคิดในทางไม่ดีเราก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันเพรความคิดในทางไม่ดีนั้นมันก็นําทุกข์มาให้เรา ความคิดในทางไม่ดีค yes. ืออะไรคือความคิดไปในทาอดีตและอนาคตนั่นเองไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะการคิดในอดีตนั้นจะเกิดความทุกขามมามากมายนะคิดเป็นอนาคตก็มีความกังวลนะนี่ก็เป็นสิ่งเราต้องรู้ทันความคิดนะเราจะนั้นก็ต้องรู้ทันอารมณ์ของเราด้วยนะเพราความทุกข์นั้นแสดงในรูปของของอารมณ์เช่นความโกรธนะเราก็มีความทุกข์ในความโกรธเราปวดเเขาเราก็มีความทุกข์น ความอิดาความหมึงหวงความน้อยใจความกลัวความเหงาความเครียดต่างๆเหล่า น, นี้จะนำความทุกข์มาใหเราต้องสึ้น <S <S เจอกินแล้วต้องรู้นะเรารู้แต่เมื่อเรารู้แล้วตรงาจของปัจจัยนะอันนี้ที่เราต้องมาฝึกกันตรงนี้คือตรงอำนาจของปัจคือความเราไม่ไ ด, ด้การฝาบระลรกไดเ้เร็วเพราะขนาดนี้เรามีลมไม่ได้เกิดขึ้นขนาดนี้เรามีาความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอ่ความเครียดความกลัวความอิดาเกิดขึ้น เมื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยพลังอำนาจปกติจะสามารถที่จะไปปัดได้นะคือทําให้ดับได้นะดับไปโดยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ไปทําแต่อํานาจปกตินั้นคือความระลึกได้นั่นก็เป็นกุศลกิจนะเซึ่งความโกรธนั้นความโกรธนั้นคืออาวุธลอยกิจมาเป็นอกุศลกิจคนเราเกิดดับกับลักษณะนะเป็นลวงดวงเมื่อเราสามารถระลึกได้ว่าขณะนี้กำลังโกรธอยู่การเราระระลึกได้นั้นคือกุศลกิจ เมื่อพูดสติเสร็จแล้วพักวุตสติก็จะดับไปนะนี่คืออำนาจของปก ต, ต, ตินั้นเองนะเพราะนั้นการที่เรามาเปิเจลิญส ต, สตินั้นก็เพื่อเราสามารถระลึกได้ไวนะเพราะเราระลึกได้ไวแล้วด้วยอำ น, นาจของส ต, สตินั่นเองจะสามารถที่จะอละนะความทุกข์ในความคิดลอลารมณ์ต่างได้นะโดยเราไม่ไปละเขาแต่เขาจะละเขาได้เองนะอันนี้ก็คืออนะทุกต้องกำหนดรู้สมุทยัย กิจยานก็คือสิ่งต้องทำในกิริยานของสมุทไทยก็หรือความเกิดทุกก็คือสมุทไทยเป็นสิ่งที่ต้องละนั่นเองนะสมุทไทยคืออะไรสมุทรไทยในท่านาล่าวโดยกว้างคือวิชาปัญหาอุปทานนั่นเอง <c oughs> คราวนี้วิชาก็คือสิงเราไม่รู้ทั้งหลายแหละนั่นแหละไม่รู้ความจริงในสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งสําคัญก็คือปัญ ห, หานปัญหาในเป็นอุปทานตัวใหญ่เลย สนะัวทานตัวใหญ่นี่คืออะไรปัญนะหาก็มียากันสามอย่างอีกนะก็คือการมาปัญหาการปัญหาก็คือปัญหาในความินดียินร้ายในรูนปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความนึกคิดนะก็คืออเยนละละทันะ้งหกนตาเห็นรูปเรามีความดีดีร้ายนั่นแหละคือการมาปัญหาแล้วนะเพื่อเรามีความินดีเราก็มีความอยากได้ตามมานันเองนะ การปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือจะเกิดภาวะสัญหาความมาตายรูปนะเมื่อตา้รูปเกิดความยินดีในตรงนั้นภาวะปัญหาก็คือความอยากได้แค่ต า, ามมาันทีเลยหรือเห็นรูปนั้นเราไม่ชอบอเป็นคนที่เราเกลียดเราก็เกิดการผัดใสไม่ต้องการเห็นรูปนั้นต่อบใสก็เกิดเป็นวิภาวะปัญหาคามมาอีกนะ เพรฉะนั้นสัญหาก็คือตามปัญหาภาวะต่างๆวิพาวต่างานี้เนี่ยก็คือสัญหาตัวใหญ่หรือเป็นสมุทัยเห็นให้การเกิดทุกตัวใหญ่เลยนะซึ่งมัอยู่ในใจเราทุกคนอเพียงกั่เราสามาัคคีละก็ได้ไหมเพราะฉะนันการละนั้นไม่ได้ละอะไรจริงๆแล้วก็คือละตัณหาเนี่นเองตัณหาคือละอรู้ก็ตื่นเสียสัมผัสความคิดไม่เสนองให้เรารู้ทัน เอเรารู้ทันแล้วเราก็ต้องปล่อยต้องวางเข้าไปไม่ใช่เราไม่ติดในสิ่งนั้นะการกระทํำนี้ไม่ใช่ใชเราต้องไปทําให้อย่างที่เราไม่ได้ดังใจ่ไม่ใช่เรามาเจอสีิแล้วเราต้องได้ดังใจแต่เองการที่เรารู้ไปตามความเป็นจริงว่าเราสังขารผัญชาเขาไม่ได้บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งเราก็เสนอประดับดีนะมาวานเราดีวันนี้เราไม่ดีก็คือเรารู้ความจริงเป็นเช่นั้นเองแต่ด้ไม่เป็นปัญหาในการกระทํา ถ้ามีการท่ามีการปฏิบัติด้วยความอมีตังหะเข้าไปคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเราก็จะมีความทุกข์ตลอดเพราะเราไม่ได้ละกลามาตังหะแต่เราไปอยากได้เพราะฉะนั <Blaze> finds, ้นหลวงพ่เทียนจึงบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเพราะว่าตัวเนี้ยเราต้องละให้ได้ก่อนเพราะในการปฏิบัติทุกๆุกทางนะเราก็ต้องจำที่หลวงพ่อเทายนไว้ว่า อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเพราะนั่นคือปัญหาทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติเพื่ปัญหาเราเราจะมีความทุกข์เพราะทันทีที่เราจะไปละปัญหาเรากลับไปตลอดเพื่อปัญหาทนั้นเองนะหมายว่าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้หวังในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คือเรารู้ไปตามความเป็นจริงอการปฏบัตนี้เช่นเราได้ยังกุตั้งย่างบะก็คือเป็นแค่เครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองนะเครื่องอยู่ของจิตแค่มีตัวรู้อยู่เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้หวังว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้น แค่ให้มีตัวรู้ให้จิตมีเครื่องระลึกได้มีเครื่องอยู่ของจิตจนจิตมีความทํานาในการจะระลึกรู้ในการที่จะทานาในการมารับมารู้สึกตัวได้ทุกครั้งความทํานาในการกลับมานั่นแหละ <c oughs> คือหนทางที่แท้จริงในการเป็นรู้สติเพราะเมื่อจิตคิดไปหรือเข้าไปในลมแล้วติต <c oughs> ที่ไม่มีความรู้สึกตัวหรือไม่มีเครื่องระลึกได้ก็จะไหล พุ่งสร้างไปในลมต่างติดในลงต่างแต่เมื่อจิตมีความชำนาญที่จะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้นะโดยอาศัยการที่เราขึ้นไหวที่บ่อยๆจิดรู้บ่อยๆนั่นแหละคือความชำนานของจิตเมื่อจิตมีความชำนาญก็จะเกิดความเคยชินเคยชินในการที่จกลับมากลับมาทําไมกลับไปเป็นปกตนั่นเองกลับไปเป็นตกไปดูทางจิตที่ไม่มีความทุกข์นะเท่านั้นการที่เราจะเป็นปะสินั่นก็คือ อเป็นการที่เราละปัญหาหรือละสมุทัยโดยตรงนั่นเองะพราะจิตจะมีกําลังขึ้นมานเรื่อยๆนะถ้าเราทําถูกต้องแล้วเราจะรู้ว่าจิตเรามีกําลังอันนี้สำคัญมากแล้วก็เราจะาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เลยะไม่เหมือการนั่งสมาธิเรานั่งสมาธินะเรานั่งจนกิตในตัวหนึ่งเป็นเอกภพตาแล้วจิตตั้งมั่นแน่วแน่นแต่ถ้าเราคลา ย, ยจิตจากสมาธิต้อง สมาธิจะหายทันทีเลยหายไปอย่างรวดเร็วเราจะนํามาใช้ประโยชน์ส่วนพระจะไม่ได้เลยนะเราไม่ใช้เป็นการมันก็ไม่ได้นะเพราะมันหายไปแล้วนะแต่การที่เราฝึกสมาธินี้นะมันนํามาใช้ได้เลยเพราะว่าเราสามารถที่ลืมตามีการเคลื่อนไหวนะมีการระลึกรู้ได้ทุกขณะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่พ็แล้วแต่นะในช่วงเวลาเราเต้นวงกลมแล้วเราเคยรู้อนะในห้องน้ําเราก็ทําได้นะผู้ลูกชายเราทําได้หมด เมื่อเราทนได้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาทุรกข์ขังลกลับมาอยู่กับความรู้ตัวทุรครั้งกลับมาที่ความรู้เน้อรู้ตัวทุกครั้งเลยการรู้เน้อรู้ตัวนี่คือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะเพราะเป็นการที่เรามายใช้ได้จริงๆงนะเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วความทุกข์มันทำอะไรเราไม่ได้เลยเนาะ <S <S แค่เรารู้มันตรงนั้นเองนะมันก็ไปทันทีแล้วมันไปเลยมันไม่อยู่กับเราหรอก <S <S แต่ที่มันอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้นั่นเองนะเมื่อเราไม่รู้แล้วมันจะเกาะเรามันไม่หายไังไงมันจะเกาะเรา ถ้าเรารู้ทันมันจะหายเลยมันไม่อยู่กับเราพระจิตมีกําลังนี่กาลังในการอะไรในการที่ไม่ได้ทำนานที่จะกลับมาบ่อยๆที่จะระลึกไม่ได้บ่อยที่จะรู้ทันบ่อยๆนี่ตรงนี้น่าจะทําล้ามาอยู no. <th> ่ตรงนี้ทั้งนเท่านั้นเองพฤืิการที่เรารู้ทันรู้ทันก็คือการระลึกได้ไม่ลึกได้คืออะไรระลึกได้ก็คือสจิะเพราะว่าในหนังสือแล้วกาว่าบอกว่าทํามที่มุคลาละมามีสองอย่างคือหนึ่งคือติตคือตระลึกได้สองสัมพุญญาคือความรู้สึกตัว ข้อต่อก็คือการระลึกได้เองระไม่ได้คืออะไรระลึกได้คือการรู้ทันกะรู้ทันคืออะไรรู้ทันก็คือการที่เราอละปัญหาในนี้การที่เรารู้ทันนั่นแหละคือการละปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือสมุทัยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกิจยาที่เราสามารถทําได้โดย่างตรเพราะฉะนั้นกิจยาในข้อนี้นะก็คือสมุทัยก็คือเราารละได้ละได้เลยนะ เพราะนั้นสมุทยก็สือติดต้องรักนิโรธคือสิ่งเราต้องทำให้แก่นิโรธก็คือมัดนิโรธคือความพ้นทุกข์หรือพรนิพพานนั่นเองนะการดับทุกข์อย่างสนิทก็คือนิโรธสึงเราต้องทาให้แก่มัดนะเจตีต้องทาให้เกิดมัดาเคยเมื่อกี้ก็บอกแล้วมีศาอย่างนะตสรุปคือสีกับสีธรริะปัญญาอะไรอย่างน้ก็เป็นสิ่งเราต้องทำให้เกิด เนี่ยเราก็ากำลังมาทำในจุดนี้กันนะอําสำคัญมากเลยนะการที่ทําให้มัรเกิดนะมัรคใ่โัวสรุปทั้งหมดแล้วนะมารวมอยู่ที่ที่เดียวนะไม่ได้จะอยู่ที่ไหนเยอะยะเลยบอกว่าสีสติสมาธิปัญญานั้นเป็นคํากว้างเกินไปแล้วถ้าสรุปแล้วก็คือสติเท่านั้นเองนะไม่ได้ไกลๆด้ในใวนั้นเลยคือสติเท่านั้นนะมรรคนี่คือสติเท่านั้นเลยอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทําทั้งหมดนะทุกอย่าง สามารถรวมลาไปในในสติเท่านั้นนะเหมือนกับรอยเท้าช้างใ่ใหญ่สุดนะไม่มีรอยเท้าตัดบกที่ไหนที่ใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าตัิชนิดนั้นสาาไไนนยสามารถรวมลงไปในสติได้ทั้งหมดชั้นนั้นนะเพิ่งแค่มีสติเท่านั้นเองนะสีก็ตามมาเพราะเหตุอะไรนะ เราเราตั้งใจรักษาสีดูนะมันแค่กายและวาจาเท่านั้นเองปอนใจมันรักษาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสตินะเออเห็นผู้หญิงปส่ตัวแล้วไม่ได้ใส่ท่าไม่ดีกับเขาไม่แหละสีิเราขานแล้วนะเพราะว่าเราไม่สามารถรักษาใจได้สติใท้ทถึงก็เกิดจัดใจนะใจต้องมีสติที่รู้ทันอารมณ์ที่ไหลไปอารมณ์ต่างๆไม่แหละเพราะฉนั้นอ่ า, าสตินั่นก็คือสีนั่นเองนะแค่สีก็คือสมาธินะผู้ที่ไม่มีสตินั้นสมาธิไม่เกิดหรอกนะถ้าเกิด สมาธิก็คือมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบหัวต่อคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ผู้ที่มีสติเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยมินจะตั้งมั่นขนาดไหนก็มสีสิ่งนี้ตามรู้ได้ตลอดจะสามารถรู้นะรู้ตัวได้ตลอดเวลานี่คือสมาธินะปัญญาก็เหมือนกันนะถ้าปัญญาไม่มีสติแล้วอะไรคือปัญญามันก็มีปัญญาอยู่แล้วนะเข้าสติญญนั้นก็คือปัญญานั่นเองนะสติญญนี้นะ เมื่อเรามีสติเราสา ม, มาธิเรามีบ่อยๆถ้าลบลงส่าน้เกิดขึ้นนะทิ้งทางกายทางใจเราจะเห็นเลยความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วนะ เ, ออเดี๋ยวความคิดเกิดไปหายไปดับไปความปวดเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปหายไปนั่นแหละก็คือปัญญาก็คือเหมือนงั้ิจงทุกหนังส่าหรือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมนั่นเองนะเพราะปัญญาก็คือสติกังเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเป็นสติเท่านั้นเองเราเคได้ทั้งสีิสติสมาธิปัญญาครบด้วนเลยนะ นี่คืออ่าเป็นสิ่งเราต้องกิตยานณก็คือเป็นสิ่งเราต้องทําในระยะสัตติและหลยยังจากที่จิตญาณทาเสร็จแล้วถ้าเราถือเข้าสู่จักรยานจักรยานก็คือรู้ว่าทุกเนี่ยเราอ่าเรารู้รู้แล้วนงอ่าสมุทัยเป็นสิ่งเราละได้แล้วนี่โมดเป็นสิ่งที่เราทําให้แจ้งแล้วนับเป็นสิ่งเราทําให้เกิดแล้วนี่คือกักยานเมื่ออ่า หรือว่ตสามนี่เกิดขึ้นแล้วอาการสิบสองก็คือการวนในอเลพตีสามรอบนี่แหละคืออ่ปฏิยานกิจยาและกัตยานสามรอบก็คืออาการสิบสองเมื่อครบสมบูรณ์แล้วพระเจ้าได้ประกาศเลยว่าพระพุทธองคได้บรรลุเป็นพุะเจ้าแล้วโดยการที่บรรลุในอาการสิบสองนั่นเองนะนี่แหละคือพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็คือตรงนี้เพราะท่านสามารถทํำกัตยานให้สําเร็จแล้วเสี่งตางได้สมบูรณ์แล้ว ตัวนี้โดยสร้างทําให้สมบูรณ์เช่นนี้แหละความเป็นผู้เจ้าํามาผู้เจ้าในโลกก็เกิดขึ้นมาเป็นองค์แรกเดียดเสมือนกับลูกไก่ตัวแรกที่สามารถจอกเปลืกไข่ออกมาได้นะเมื่อลูกไก่ที่จอะเปลือกไข่มาได้แล้วก็มีความอิสระอันได้นะลูกไก่ต่างๆทุกพวกเราก็สามารถดได้จอกเปลืกไข่ตามพระผู้เจ้าได้ทันนั้นนะเพราะจริงๆแล้วผู้เจ้าเนี่ไม่ได้หายไปไหนนะผู้เจ้าไม่ได้หายไปไหนทุกวันไม่ทพียงอยู่เรา อยู่กับเราทุกคนทุกๆทุกๆดวงจิตทุกดวงดวงอินทรีย์นะไม่ได้หายไปไหนเลยนะทุกเจ้าไม่สึงหลายใครเมื่อ 2,400 2,500 54 554เมื่อก่อนนะแต่ว่าอยู่กับเรานะทุกเจ้าก็คือพุทธะคืออะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิดานในใจเรานะทุกคนมีทุกคนนะคือความเป็นทารู้มีทุกคนพุทธะก็คือทานรู้นะ อยู่ที่ว่าเราจะปลูกให้ตื่นขึ้นอะได้ไหมใน ท, ที่นี้เรามีความเป็นธานรู้อยู่แล้วนะเพียงเราต้องปลูกให้เขาตื่นขึ้นมาเมื่อเขาตื่นมาแล้วเขาจะมีความเป็นเป็นผู้บกบาล น, นะมีความสุกนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ระบาลการปลูกธานรู้คืออะไรคือคื อ, คอาการเขย่าเขาตื่นนั่นเองการเจเิญสติตส แ, ตแต่ละครั้งคือการเขย่าธานรู้ให้เกิดขึ้นนะ การเจริญสติที่ถูกฟ้องไม่ไป็นการจมแค่ไม่ใช่การให้จิตสงบไม่ได้เกิดแค่จิตต้องมีการเป็นสมาธินิ่งๆหาแล้วแน่อยู่แหละอันน้อย่างหนึ่งอันนั้นอันนั้นก็คือสมาถะแต่สติต้องมีการปลุกทะลุวิถีขึ้ น, นการสร้างจังหวะขณะครั้งเราจะรู้ทุกครั้งนะเราก็คาเขียนบอกว่าเอปีกมือครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งวิลามีรู้ครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจะรู้สามพันหกร้อยครั้ง เพราะหนึ่งัมงมีสามพันหนุกร้อยนาทีก็คือรู้ทุกทุกครั้งที่ขยับนั่นเองนะเรารู้ในจิตเี่ยตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะยกมือในชั่วโมงตื่อาจิตสามารถรู้สามพันหนอยครั้งที่ก็ตื่นตามมาสามพันหอยครั้งเลยนะนี่เป็นการขย่าท่ารู้ที่แท้จริงนะเพราะฉนั้นอ่าใครยางให้ท่านรู้ตึดตัเร็วตื่นบ่อยๆแล้วก็สามารถเตือจริงๆริงก็คือเราก็ขย่าวีไว้บ่อยนะเพื่อมารู้บ่อยๆเพราะถ้าเรายังรู้บ่อยเนี่ยความหลงก็จะน้อยนะ ความหลงแลความรู้มันตรงกันท้ามกันนะถ้าเราหลงเราก็ไม่รู้นะหลงเี่ก็ไม่รู้เรกนะเราคิดไปเราก็ไม่รู้ว่าขณะที่เราคิดนะแต่พอเรารู้ปุ๊บความหลงก็หายไปเพราะเมื่อเรารู้ทางฝัามคิดปุ๊บความคิดก็จับไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้มากเนี่ยหลงก็จะน้อยลงแต่หลงมากเนี่ยรู้ก็ยังน้อยเพราะฉะเราต้องมาทำคืออะไรก็คือทําตัวรู้ให้เยอะๆนั่นเองต้องใช้อะไรทําก็คือเอากายเรามาทํา เพราะว่าการรู้เนี่ยมันรู้ทั้งกายและใจก็ได้นะอย่างวิธีการฝึกใจก็คือยกตัวอย่างเช่นอานาปานปติเป็นต้นนะสามารถที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกตั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจายาวก็รู้อันนี้นะดีมากเลยแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่จิตมีความละเอียดพอสมควรนะในยุยพุทธกาลนั้นคนที่มีจิตละเอียดให้เยอะก็เลื่องฟังเท่ากับทำได้เร็ว ในายุพวกเราเนี่ยมีกิจการงานเยอะมากใช่ไมีความปรุงแต่งเยอะมีอถือว่ารลอมที่ปรุงแต่งมากาสมัยก่อนควาิสีของเราก็เลยไม่ละเอียดเหมือนคนสมัยก่อนนะวิธีการอย่างไรที่เราเรียรู้ได้โดยง่ายๆ่ามืองกับคนสมัยก่อนก็คือรู้ที่ฐานกายนั่นเองเพราะฐานการเป็นฐานที่มันยากนะฐานกายมันยากกว่าที่เราจะาจับลมหายใจ ตัวบรรจัยนี่ใช้จับท้งเราจับไม่ทำงานหรือว่าไม่ละเอียดจริงๆจะมือหัวทั้งทีเลยนะจะมือกันเลยแล้วแกไขา ย, ยากมากด้วยอยีกหน่อยบางค น, นปเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับปร ะ, ะสาทไปเลยถ้าทําไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราเราฝึกในกาลที่เราขึ้นไหวรู้เนี่ยอาศัยฐานการในกรณีการที่ง่ายๆแบบนี้เทคนิคการที่ง่า ย, ายการ็ยรู้ เ, เร็วเขาเรียกว่าชูรัวมือเดียวรับนิ้วมือเดียวะะวิธีการของงทะเสียนแล้ว น, นะ อาจจะมาเองออกจากนี้นว่าเคยผ่านวิธีการต่างๆมาเยอะแล้ววิธีการ อ, า ง, า ง, อารงเทียนจะมีวิธีการที่รัดรันเป็ออนกาแล้วได้ผลเรียวที่สุดยิ่งกว่วิธีการต่างๆทุกทุกอย่างในโลกว่าระนะเพราะแค่เราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้แนละ้วรู้ทันทีนะมันไม่ต้องหาไม่ต้องคิดเลยเลยมันออกจาความคิดจริงๆนะเพราะความคิดขนาดเขาเรียกว่าคิดยิ่งคิดยี่ไม่รู้นะแต่เรารู้โดยไม่องคิดได้เลยนะวิธีการลงเทียที่เราสา ม, มารถรู้โดยไม่คิด เคลื่อนไหครังนึงก็รู้แล้วนะเืนไหวนีงก็รู้พลิกมือก็รู้ยกก็รู้หยุดก็รู้มันนัคือตัรู้เท่านั้นเองนะพอรู้เมื่อเกิดความรู้เกิรดรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นความหลงก็หายไปนะแค่นั้นเองนะเมื่อรู้เกิดขึ้นลงก็หายไปอย่าง็วิธีการที่ง่ายสในโลกนะแล้วถ้าใคร ท, าทําจริงๆแล้วไม่ตีวันเราไปพูดแล้วไปเห็นแล้วว่าจิตใจเราเปลี่ยนไปเลยนะแต่การเป็นคนใจรอในการเป็นใจเย็น จะเป็นคนคิดมากจะเป็นคนคิดน้อยจะเป็นคนขี่โกรธก็จะเป็นคนอ่าโกรดน้อยลงนะเป็นคนที้หุนหินนะนน้ก็จะเบาลงไปเยอะมันจะเห็นความแสกต่าในีชัดเจนแ้วเร็วมากไยวิธีการนี้เร็วมา ก, นะ ก, ามมากไม่นานแล้วเสาเห็นภาพเป็นไปใ น, ในตรงนี้เลยนะเปลีย่ยนไปให้ทําให้ถูกต้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องาการให้ผู้บริการไปแนะ น, น, น <c oughs> ํานั้เองเนี่ยเพราะงั้นในในในสองพันหกร้อยปีก่อนนะอ่าได้กาเนิดอ่า มหาบุตู่ยิงใหญ่ที่บุตรในโลกลในจักรวาลนี้นะเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อที่จะนะเป็นบรรลุเป็นองค์สเมเด็จพระมหาบเจ้าและก็สิ่งสําคัญก็คือครณเจ้านั้นสามารถนําพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะว่าพวกเรานั้นเราไม่ได้เกิดในชาติในชาตเดียวแต่เราได้บวชว่าเมียนไหว้าตายเกิดมาแล้วนับนับชาติทุกท่วนนะถ้าจะรับเอากระดูกที่เราเคยเกิดมานะ ว่ามันเลยตรงแบบว่านํามากองรวมกันเคยเข้ากับเขาขุนแผนนะหรือถ้านำน้ำตาที่เราเคยหลังในภพชาติานั้นก็จะเข้ากับมหาสมุทรนะหรือถ้านําต้นข้าวในภพกุลวีมาทําเป็นกรรมกรบตสีนิ้วนะก็ยังน้อยจากภพชาติเราเคยเกิดมาหรือผู้ที่ไม่เคยเกิดญาี่น้องกันไม่มีนะเพราะว่าพบชาติในเรายาวมากนะเพราะฉะนั้นพพชาติในเรายาวนะมันไม่มีที่ที่สุดหรอก แปลว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะอมาชี้นํำขนทานการออกจากความทุกข์ที่แท้จริงได้คือความที่เราไม่ทํามาเวียนว่ายไเกิดสมัในวัตถงสาลนี้นะไม่ส่งชี้ทางเลยแล้วว่าก็คือขนทานแห่งเรลยสัตวสี่คือมรรคยิงปากนั่นเองไปนะคือขนทางเดินของพวกเราถ้าเราเดินตามขนทางที่ท่านได้แสดงไว้เนียเราก็จะพ้นทุกข์แห่งแท้จริงเราจะถึงขึ้นความดยอกทุกข์ คาผู้ที่แท้เงคือเราจะต้องไม่กลับมาเกิดใหม่ในวัตสารในธาตุภูมิเราจะค้นกันอะไรนะไม่ต้องไเไม่ได้ใสเกิดใหม่แต่ถ้าในใจเาังมีกิเลสแมระิงเล็กน้อยเราก็กลับมาเกิดใหม่แน่นอนเราเหมือนต้น้ที่สูงถึงาระมณเมตรละโดยเชมล็ดพัน์แล็เดียวนะแต่ต้ม้ยังมีเชื้ออยู่ตกในดินที่สมบูรณ์ก็เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นได้กิจงเราแไม่มีกิเลสอิ่งเล็กน้อยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ชั้นนั้น เพราะนั้นในจิงเรานั้นเราจะทําอย่างไรยังให้จิตไหลในใจละหมดไปแต่ก็คือการที่เรามาเจริญตามบนท่างนั้นมักหศาสตร์อะไรอย่างที่บอกแล้วว่าหนึกงศาสตรโดยุทธลัทธก็คือสตินั่นเองนะเขามารวมแล้วสติก็คือสีสมาธิปัญญารวบในสติทั้งหมดแล้วก็ไม่มีสติแล้วเราต้องมีสี้องมีสมาธิมีปัญญาอยู่ไหนนั้นทุกอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วครับนี่หลักคือบนทางง่ายๆสั้นๆม่อย่างหนึ่งเราได้พบทางรัดที่มันตรงที่สุดแล้วนะ ทางลทธิเราสามารถที่จะเข้าถึงจิตถึงใจของเรานั่นเองนะวิธีการวัดเองที่นี่คือการที่เราสามารถที่จะรู้จิตรู้ใจเข้าถึงจิตถึงใจเราได้อย่างรวดเร็วรู้เท่าทานอาก า, ารของกิตได้ที่มันกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงได้อย่างรวดเร็วแค่เรารู้ว่าการของจิเท่านั้นเราจชนะกิเลยได้ครึ่งแล้วนะส่วนเลยที่ขึ้นในเรื่องความพยายามในการที่เราจะบำเพ็ญให้ถึงฤกษ์แห่งทุกนะเพราะฉะนั้นในคือนอนี้นะเป็นคืนสำคัญในศุร์ศรัณหานะ ถ้าหากเราใดอยคิดว่าเราจะบัติเป็นพุทธบูชานะก็ข อ, อนโมทนาถึงท่านนะสําหรับที่นะนะาทลานงโคงนี้ก็คิดว่าคงจ ะ, ะเป็นสถานที่ที่เปิดให้เราผู้ที่ต้องการจะภาวนาอแล้วจากสะดวกแนะอาจจะอกี่ถึงเท่าไหร่ก็ได้อาจจะเที่ยงคืนก็ได้แนะหรือใครที่อมีวิริยะสูงก็อาจจ ะ, ะถึงสว่างเลยก็ข อ, อนโมทนา การนตรงนี้ถือเป็นการพุทธบูชาแก่องค์พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมาหาบุของโลกแปลว่าท่านมีอ่มาหาคุณาที่คุณมีปัญญาที่คุณและมีบรรพุติคุณกับพวกเราถ้าไม่ได้พุทธเจ้าแล้วนะเราจะไม่มีทางที่จะาถึ ง, งคืนพระนิพพานในทางิอย่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นโดยสุดท้ายนี้ขอขอละตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาน้อมนําให้ดีที่ท่า น, นะจะเลยด้วยสี สติสมาธิปัญญาก็ถึงซึ่งความบรรลุได้ในชาตินี้ทุกท่านเถิน